ด้อยู่กับตัวเองกันหรือเปล่าอยู่กับตัวเองเลยอยู่กับความคิดคิดเยอะคิดเยอะก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราไม่ใช่ว่าตั้งใจที่จะหาเรื่องมาคิดก็ไม่มีปัญหาอะไรรู้ว่าคิดเยอะ ตอนนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่จริงการที่เรารู้สึกตัวตัวนั้นก็เป็นสตินะเป็นสติตัวจริงที่ไปเห็นเป็นความคิดอ๋อมันมีความคิดเกิดขึ้นมันมีความคิดเกิดขึ้นสิ่งที่เราสิ่งที่เราเหมือนกับเราตั้งใจก็คือเราตั้งใจที่จะดูกายไม่ได้ตั้งใจที่จะดูจิตเนาะแต่ว่าในขณะที่เราดูกายจิตที่มันไหวไปก็เห็นเอง เรา ค, คล้ายๆเหมือนกับว่าหลวงพ่อเทียนท่านก็เหมือ น, นว่าให้ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่พอเราดูที่ความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยมันก็จิตมันเคลื่อนไหวไปเห็นนะอย่างเนี้ยคิดเยอะไหมไม่เขาไปเยอะเหมือนคิดเป็นเรื่องไหมอ๋อ <c ười> <c ười> คิดเป็นหลายๆเรื่องสแสดงว่า <c ười> กับว่าพอรู้สึกตัวนี้หมายถึงยังไงหมายถึงเร็วเร็วขึ้นนะอย่างนั้ น, นก็มันก็เป็นแบบนี้เนาะคือเหมือนกับว่าบางทีสติก็ไวพอที่จะเห็นเห็นการเกิดขึ้นบางทีก็เขาก็ตั้งอยู่แล้วเนาะเป็นเรื่องเป็นราแวแล้วเราก็เห็นอย่างนั้นบางทีก็ตกใจตอนตอนที่จบ จบเลยก็เอา้าจบแล้วเหรอเรื่องตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็ให้เราได้ได้ดูนะหลวงพเขียนท่านก็จะพูดถึงมีภาษานะภาษาที่ท่านท่านใช้ท่านก็ใช้ภาษาท่านสมัยบอกเป็นดับเบิลคิดกจริงหรวงว่อเขียนท่านก็ท่านก็ไม่จบปาีเนาะอย่างนั้น จะเรียว่าไม่จบก็ไม่ได้ น, นได้ประกาศอะแต่มันบางทีท่านเหมือนกับว่าเหมือนกับมันพอดีสงครามโลกอะไรเงี้ยอะไรใกล้ๆเหมือนกับก็ไล่ๆให้จบอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นเป็นแต่ท่านเป็นเป็นคนที่ ท, ที่ก็ท่านก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตภาษาอะไรต่างๆนานาหล่ะเนี่ยท่านก็ใช้ถูกต้องนะอย่างคําว่า Recycle อย่างเงี้ยนะท่านก็บอกว่า เราก็เอาหลงอ่ะมาเป็นรู้คือความหลงมันเป็นเหมือนกับสิ่งไม่ดีนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็เป็นความทิ้งอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเอามาเป็นเอามาเป็นความรู้แบบนี้เอามารีไซเคิลท่านก็เก่งนะอย่างเดิมคิดเนี่ยเหมือ น, นว่าพอคิดไปแล้ว รู้แล้วพอรู้แล้วก็ยังเสียใจคิดเสียใจกับความคิดที่มันที่มันผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือท่านก็ให้เราได้สังเกตว่าคือเหมือนกับว่าหลังจากการที่เรารู้ว่าหลงไปแล้วเนี่ยเรายังมีเ็าเรียกว่ายังไปคิดถึงอดีตที่เพิ่งคิดจบไปด้วยความพอใจไม่พอใจหรือเปล่าเงี้ยบางทีมันเป็นความคิดที่ เราไม่ชอบแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าเกิดความเสียใจถ้าเกิดเป็นความคิดที่ชอบแล้วก็อยากจะคิดอีกก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนนั่นคือตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้เรารู้รู้ตามไปเป็นปัจจุบันนะว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้ตามนั้นหรือว่าเราจะกลับมารู้กับการเคลื่อนไหวในรูปแบบที่เรากาลังทาอยู่ต่อเนื่องไปก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็คือ ขอให้เราได้เหมือนกับว่าดำรงนะการมีสติต่อเนื่องไปก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังนะว่าเหมือนกับว่าเราจะมีสติตลอดเวลาแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยการฝึกก็คือเพื่อให้เรามีสติมากที่สุดที่จะรู้ว่าตอนนี้กายเป็นยังไงตอนนี้ใจเป็นยังไง <c oughs> คือตัวสตินะก็เป็นสิ่งที่ เราเองเราก็เหมือนกับพระอาจารย์เรญสานั่นก็พูดหน้าฝั่งนะท่านก็บอกว่ามันเหมือนกับสติเขาก็เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนของเราแต่ถ้าเราไปม า, าสุขบ่อยๆเนี่ยก็เรียกว่ามันก็จะกลายเป็นเพื่อนสนิทกันพอเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยมันก็เวลามีเรื่องมีราวอะไรนี่ยเพื่อนเขาเพื่อนสนิทก็จะเสนอตัวมาช่วยง่ายๆเนะาะนีั่นก็คือตรงนี้ก็ เราก็เหมือนกับหมั่นไปมาหาสู่ให้สนิทให้สนิทสนมกันตรงนั้นเขดูมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าคือการที่เราหมั่นรู้สึกตัวหมั่นรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะดีแม้บุทิเจ้าเองก็ยังตอบว่าเราเองก็อยู่กับอิรีบยืนเดินนั่งนอนเนี่ยใช่มนี่ก็คือท่านก็หมั่นกลับมารู้สึกตัวหมั่นกลับมารู้สึกตัวเพราะว่าเราก็เราก็มองว่า ตรงนี้มันก็เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหมดก็ทำให้ดูหวงพัอเทียนเองเนี่ยแม้ในช่วงนาทีสุดท้ายหรือก่อนหน้านั้นของชีวิตแลหมายถึงก่อนนาทีสุดท้ายก็ตามก็ยังมีคนแบอบกท่านก็มีการขยับมีการขยับตั้งใจที่จะขยับเนื้อขยับตัวเพื่อเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวตลอดเวลาว่ามันเหมือนกับว่ามันก็ดีกว่า ดีกว่านอนอยู่กับความเจ็บป่วยนะนี่ก็เหมือนกับมีเพื่อนที่ชื่อความรู้สึกตัวนะอยู่เคียงกันไปอะไรต่างๆตรงนั้นก็หลวงพ่อคำเขียนก็ดีหรือว่าอาจารย์กมนก็ดีอาจารย์กมพลแม้ท่านเป็นอมภภาพเนาะเวลาที่เหมือนกับท่านก็ ท, นกท่านก็อาศัยกระดิกนิ้วเก็จำได้ว่าก็เป็นท่าที่ท่าที่แขนของท่านก็จะโผล่ออกมา แบบนอกก็ห่มสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ขอ้ขอๆนิ ด, ดๆอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นซึ่งก็ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเองเราก็มองว่าครูบาอาจารย์ก็มีความรู้สึกตัวเป็นเพื่อนนะมีความรู้สึกตัวเป็นเพื่อนท่านก็อาจจะไม่ได้ว่าอยู่คนเดียวไม่เป็นหรือว่าอะไรยังไงต่างๆนะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าตรงนั้นก็เป็นเป็นนิสัยเนาะเป็นนิสัยที่จะคอยรู้สึกตัว ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ในยามนั้นความป่วยไข้ของหลวงพ่อเทียนก็ดีของหลวงพ่อคมเพียนก็ดีหรือว่าของอาจารย์กระมนก็ดีเนี่ยเราไม่สามารถประเมินได้ว่ามันรุนแรงแค่ไหนเพราะท่านไม่ได้แสดงออกให้เราเห็นนะนนแต่เราก็รู้ว่าท่านก็อยู่ความรู้สึกตัวสบา ย, บายดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้นนะแต่นั่นคือ อีกแป๊บเดียวท่านก็หมดหลมหายใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งคำว่าแป๊บเดียวเนี่ยอาจจะยาวไปเพราะในในขณะที่ท่านเหมือนกับว่าหมดหลมหายใจมันก็จะเป็นเหมือนกับมันก็เหมือนกับมันก็หมดไปพร้อมกับความรู้สึกตัวตรงนั้นนั่นนี่คือก็เป็นเรื่องที่ให้เราได้มันเนาะมันรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวเพราะว่าตรงนี้มันก็เราก็อยู่กับความคิดเนาะ ที่พาเราทุกมานานเนาะแล้วถ้าเราอยู่ความรู้สึกตัวเราก็ลองลองดนูนะคือจิตใจของเราก็จะเหมือนกับตื่นเนาะตื่นขึ้นมาตื่นสว่างสงบอย่างเงี้ยนะก็จริงๆได้ทํามว่าเพราะว่าแกเป็นใครนี่ก็ก็นึกถึงคําคําของหลวงปู่ชานนะ <S <S บอกว่าเหมือนกับ หลวงพ่ชาก็จะพูดมีมีคล้ายๆว่าถ้าความสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยหลวงพ่ชาก็บอกให้ดูลงไปว่าใครเป็นคนสงสัยใครเป็นคนสงสัยอย่างเงี้ยคือตรนเนี้ยก็จำได้ว่าก็มีเทปเสียงหลวงประชานะอยู่อยู่อันหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็มันก็เป็นเรื่องที่ที่มันก็น่าคิดนะใช่ไหมเวลาที่ เราหรือเปล่าเป็นผู้สงสัยหรือใครกันแน่ที่เป็นผู้สงสัยอะไรต่างๆแล้วความสงสัยอันนั้นมันอยากได้คําตอบจริงๆหรือเปล่าหรือว่า แ, แค่สงสัยจริงๆซึ่งตรงนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับทบทวนเนาะทบทวนให้เราได้ลองมองไปจริงๆว่าใครกันเป็นเราหรือเปล่าเพาะว่าถ้าไม่งั้นความคิดก็เป็นเราความสงสัยก็เป็นเราความเจ็บป่วยก็เป็นเราอะไรต่างๆนานาเหล่านี้หนึ่ง โดความเขียนท่านก็เคยใช้คําถามนี้กับกับพระที่บวชใหม่ที่ท่านที่ท่านบวชให้นะที่ท่านเพิ่งบวชให้รูปหนึ่งก็เหมือนกับว่าก็พี่ก็ขอให้มาบวชแบบว่าบวชคล้ายๆว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมเจ็ดวันคอสเนี้ยก็บวชให้หน่อยเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยกโดยความเขียนบอกว่ามาขอสึกทุกวันตั้งแต่วันแรก คือคือบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะบวชหรื้ว่าเขาบอกก็รู้แล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจะบวชก็พี่ชายขอให้บวชเจ็ดวันเท่านั้นเองก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็ได้ศึกแล้วอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเดีวก็ขอมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอมาความเจ๋งก็ใช้คําใครเป็นคนขอให้มาศึกเนี่ย <laughs> แต่คํานี้มันก็แรงนะแรงพอที่ทําให้ให้ท่านเนี่ยได้กลับไปทบทวนแล้วก็เห็นว่าความคิดคือใคร หนึ่งเนีนั้นแล้วก็ท่านที่สุดท่านก็อยู่ในพ้าเหลืองจน่รทั้งมรณภาเพราะว่าความคิดตรงนั้นมันก็อาจจะเป็นความคิดที่แรงแรงกว่าการขอให้สึกเพราะว่ า, าความคิดตอนนั้นก็คือความคิดมันชวนให้ไปฆ่าคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือเหมือนกับว่าท่านเคยมีอาชีพทำหน่งนี้มา ก, ก่อนนะแล้วก็ก็บอกบอกว่า มีปืนม า, ม า, ามวางให้พร้อมแล้วอะไรอย่างนี้นะมีมีคนมาส่งถาวานะมีสตางค์วางให้พร้อมแล้วอะไรพอมีแบบนี้ท่าก็มาขอศึกอะไอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเ่าไม่เช่นก็บใช้กับนี้ น, mm. นะคำว่าใครนั่นนี่คือตรงเนี้ยก็ให้เราได้เหมือนกับว่าลองลองสังเกตนะ <c oughs> ลองสังเกตว่าใครกันเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยใครกันเป็นผู้คิดอย่างเงี้ยนะเป็นเราหรือเปล่า <Kyoto> <Thats acknowledgement> ตรงเนี้ยก so ็เป็นเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็ก็ใช้เนาะอย่างนั้นนั่นนั่นคืออย่างที่เวลาที่เราสวดอย่างเงี้ยนะไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเหล่าเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยเนาอถ้ามันเป็นความคิดของเรามันก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นเขาเป็นเราเป็นอะไรต่าตานานาเหล่าเนี้ยนั่นนั่นคือนี่ก็เป็นสิ่งที่ ให้เราก็ได้เปลี่ยนอย่างคุณเปิ้นก็คุณแม่ก็จะบอกว่าอุย้ยเขาขยานันขยันนะอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ก็ให้เราได้เหมือนกับว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเทียนก็จะบอกนะให้วางกายไกลๆวางใจกลางๆหลวงพ่องเขียนก็จะบอกว่าทําเล่นๆเนาะแต่ทําจริงๆแต่หมายถึงว่าคือในการทําจริงอ โด้ยท่าทีเล่นๆด้ยท่าทีเล่นๆแต่ถ้าเป็นท่าทีเอาจริงเอาจังบางทีมันก็หนักบางทีมันก็เหนื่อยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นหลักเป็นหลักให้เราได้เหมือนกับว่า <c oughs> หลักให้เราได้ได้ได้ไดไดเก็บเอาไว้พิจารณานะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงๆนะ่ะมันก็คือถ้าเราไม่รู้เราก็หลงเท่านั้นเอง เราไม่รู้เราก็หลงคือถ้าเราไม่เพียรเราก็ตกไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเองอะไรอย่างนั้นดังนั้นคือเราเองเราก็ต้องเหมือนกับว่าทํำยังไงเราถึงจะไม่กลับเข้าไปสู่วังวนของความทุกข์ที่เราคุ้นเคยเนาะทุกข์สุขที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเราจะกลับมาอยู่ฝ่ายที่เหมือนกับว่าฝ่ายความรู้สึกตัวที่มันเป็นเรื่องของความเป็นปกติในชีวิตอย่างเนี้ คืออย่างเรื่องของสิ่งที่ครูบาอาจารย์จะบอกกันอยู่เสมอๆก็คือให้เราเหมือนกับว่าให้เราทำนะเหมือนกับว่าทําเล่นๆทําจริงๆแต่ทําจริงๆอย่างเงี้ยนะอยานั้นะความต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ขาดไม่ได้นะความต่อเนื่องหมายถึงว่า ทั้งในรูปแบบน่องรูปแบบจังหวะต่อหรือว่าอะไรต่างอย่างที่ผู้ชายเองบอกว่าการยืนเดินนั่งนอนแล้วก็อินทรียบดย่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็คือครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีมันก็จะเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อกันได้ง่ายๆ่าอย่างเวลาที่เราเหมือนกับว่าได้สังเกตได้สังเกตสิ่งที่ก็เรียกว่าเกิดขึ้นในในอินทรียบทหลักๆที่เป็นการยืนเดินนั่งนอนเนี่ย เราก็จะเห็นนะเหมือนว่าปฏิกิริยาของกายเดียยเด๋ยวก็น้าตาไหลเดี๋ยวก็น้ํามูกไหลเดี๋ยวก็กลืนน้ำลายเดี๋ยวก็ไอ้นวลไอ้นี่อะไรต่างๆๆตรงนั้นเยอะแยะไปหมดที่มันจะเป็นอาการที่บอกถึงมันมันมีเป็นก้อนทุกข์กันนะร่างกายนี้มันเป็นแต่ก้อนทุกข์มันก็แสดงอาการความทุกข์ออกมาเดี๋ยวตามัน อาจจะเป็นท in so no cool cool. ่อน like ้ําตาหรือจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะนะแต่ว่าอาการที่น้ําตาไหลออกมาตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องของการที่มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่มันทนไม่ได้อะนะมันก็ต้องไหลออกมาไม่ใช่เป็นความโศกความเศร้านั่นแต่มันเป็นความเสื่อมของของตามันหรืออะไรไงก็ตามอย่างหลวงพ่อก็เป็นคนขี้หูแห้งๆนะบางทีก็ก็ไม่จริงไม่ไม่ไม่ใช่ขี้หูแห้งนะแต่ว่ามันเป็นขี้หู เดี๋ยวมันก็เปียกเดี๋ยวมันก็แห้เนี๋ยวบางทีเดินเดินจมกลมไปชิ้นหูมันก็ตกเป๊ะเข้ามาในหูหมายมายถึงว่าคือมันก็มันก็เป็นก้อนมันก็ตกเข้ามาในหูก็ยังนึกตลกนะพื้นที่ที่มันจากที่มันอยู่แล้วมันตกประมาณน้อยนิดเดียวแต่ยมันอยู่ในหูนะมันก็รู้สึกก้อนมันใหญ่มากเวลาที่บันที่เราก็เหมือนกับลองดูนะก็นิดเดียวอย่างเงี้ยนะฮะอย่างงี้ยอะไรเงี้ย คือนั่นก็คือเหมือนก็เป็นสภาพทุกข์นะที่มันทนที่จะติดอยู่ไม่ได้มันก็หล่นออกมาของมันหลายๆน้ำตาลๆนานแหละตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับพอเรามองเห็นภาพแบบเนี้ยคําของพระพุทธเจ้าคําของครูบาอาจารย์มันก็เราก็จะได้เห็นนะเห็นไปตามที่ที่ท่านได้บอกนำเอาไว้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นมาหรือตรงนั้นอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ลองดูนะรู้ไหมว่ามันมันความต่อเนื่องตรงนี้มันจะช่วยให้เราได้เหมือนกับเห็นความจริงนะเห็นความจริงที่ที่ชัดเจนตรงนี้นะแล้วก็อย่างที่ว่าว่าคือเรื่องของตัวเรา <Deadpool> ตรงนั้นก็เรื่องของกายเรื่องของใจตรงนี้นะมันก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นเรื่องที่ถ้าถ้าทางเราเองก็ เราเองเราก็จะพูดว่าเป็นลูกเป็นนามเนาะใช่ถ้าเราเห็นเป็นลูกเป็นนามมันก็เป็นสังโยชน์ตัวแรกเนาะที่เราจะผ่านผ่านไปได้ตรงนั้นหลวงพ่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับมันก็เริ่มต้นหลวงพ่อเทียนก็เริ่มต้นให้แล้วนะ ใช่มว่ามีผู้ดูมีสติเป็นผู้ดูมีกายมีใจเป็นผู้ถูกดูอย่างเงี้ยนะนี่คือท่านกระตั้งท่านกระตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วอย่างนั้นแค่นี้เพียงแต่ว่าพอเราดูอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นนะร่างกายทําอย่างหนึ่งจิตใจทําอย่างหนึ่งแต่ว่าตรงนั้นหลวงพ่อว่ า, ม, ามันก็เราก็จะค่อยๆมองมองเห็นนะอันนี้เป็นทุกข์ของกายอันนี้เป็นทุกข์ของใจนะอย่างนั้นทุกข์ของกายเราจะทํำยังไงทุกข์ของใจเราจะทํำยังไง ตรงนั้นเราก็จะเกี่ยวข้องกับกายใจตรงนี้ถูกถ้าหากว่าเราดูเราดูต่อตอไปหนุ่มพ่อว่าการที่เราจะค่อยๆเห็นอย่างที่บอกว่าเอ๊ะมันเป็นจะ ม, มันเป็นโลกของเราเราเป็นโลกหรือว่าเราป่วยหรืออะไรต่างๆ่างนานเหล่านี้มันก็พูดยากแล้วนะเพราะว่าคำพะเรามันจะอยู่ตรงไหนนะ ใช่ไหมคำว่าเรามันจะอยู่ตรงไหนแขนมันเจ็บสอกมันแตกเลยว่าหัวมันแตกเลยออะไรต่างๆนานาเหล่านี้มันมันก็เป็นเรื่องของส่วนหนึ่งของของรูปตังนั้นรูปเองมันก็ไม่สามารถที่จะร้องโอดโอยอะไรได้นแต่ว่าไอ้การที่มันมีแผลเนาะมันก็ความเจ็บความในต่างๆนานาเหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันบอกได้เวลาที่บางทีเราเห็นสัตว์เขาบาดเจ็บอย่างเงี้ยเนาะ จะเป็อย่างเมื่อดีเห็นพวกตะกตงตะกตะแดนเขาขาหลุดขาอะไรต่างๆนั้ น, น, น, นมันก็ไม่มีเสียงอดโอยนะแต่ว่าเราอะจะเป็นนั้นนี่คือไอ้ตรงนี้เนี่ยทุกข์ของกายก็ส่วนหนึ่งทุกข์ของใจก็อีกส่วนหนึ่งนะที่มันไปบวกกันเนี่ยอันนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะึว่าว่าเราก็ดูดูตามนี้ไปดูตามนี้ไปแต่ว่อย่างที่คุณป้นว่ามาคือพวกกิเลสที่บางทีเราก็เหมือนกับว่าคิดมากเขาหมดเนาะ หลวงพ่อก็บันทีเขาคิดาเอ้าวอันนี้มันผ่านไปแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าก็ติดข้องกับเขาอยู่นานโดยที่ไม่ทันเฉลียวใจอะไรอย่างเงี้ยนะอา้าวเราหลงเนาะอย่างนั้นอะไรหลวงพ่อเขียนท่านก็พูดง่ายๆนะระวังหลงนะอย่างเงี้ยอ่านี่นี่คือก็เป็นเรื่องที่ เป็นชีวิตของเรานะถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าหลงอย่างนี้นอย่างน้นะนั่นนั่นคือตรงนี้ความรู้สึกตัวก็เป็นคำตอบเป็นความรู้สึกตัวก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ให้คล่องถ้าเราใช้คล่องเราก็พ้นถ้าเราใช้ไม่คล่องก็ติด <laughs> มีใครมีใครถามมีใครอะไรไหมหนึ <laughs> ่งมีไห <laughs> ช่วงที่พระอาจารย์ยังไม่บวชนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช้ชีวิตทางโลกทางธรรมให้ไปด้วยกันได้ยังไงโดยไม่โดยกลมกลืนกันนะเจ้าค่ะคือจริงๆคือจริงๆแล้วเจอหลวงพ่อกบเจียนตอนอายุสี่สิบเนาะแล้วก็บวชตอนอายุห้าสิบเอ็ดอย่างเงี้ยก็ จริงๆแล้วชลาใจน้องฉลาดใจมากเพราะมาา <c oughs> คือเราก็ติดดีมากๆน้อง <c oughs> ติดดีมากๆก็คิดว่าเราดีแล้วคื อ, ค, อคือมันคือมันเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ใช่คนที่เตะเฮฮาเราก็ไม่ใช่คนที่ ปุ้มเพื่อยแล้วก็ไม่ใช่คนที่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้อะไรอย่างนั้นคือ <c ười> <c ười> ตรงนั้นละมันเป็นสิ่งที่มันมีแต่เราเราเราเร า, เร า, เราอยู่ข้างหน้าทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนคือจริงๆคือถ้าดูมันก็เราก็ดีเนาะเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรในชีวิตมันก็เราก็เหมือนกับว่าก็ทำงานไม่ได้ทำงาน มีเงินเดือนมีอะไรก็ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้อะไรต่างๆอะนรเหล่านีน้ก็ดูชีวิตก็ดูเหมือนไม่มีตําหนิอะไรเจ็บมากเลยเคือ <c ười> <c ười> หลว่วา่าตรงนั้นละมันมันเป็นเรื่องที่พอเวลาที่ที่เรามาบวชเราได้เราได้ปฏิบัติธรรมก็ทําให้เราได้เหมือนกับอย่างหลวงพ่อก็เคยเล่าให้ฟังนะว่าวันแรกของการบวชนะ รู้สึกได้เลยว่าคือตอนที่กล่าวเรียนหลวงพ่อเขียนท่านว่าจะบวชแล้วนะยอะไรเงี้ยคือก็น่าจะกลับเรียนท่านล่วงหน้าประมาณสักเกือบปีอะเนาะท่านก็พูดคำหนึ่งบอกเออดีนะอาจารย์ตุ้มอะไรเงี้ยนะบอกเพราะว่าบวชก็มีอั น, นิี้สองเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จําได้ว่าท่านก็บวชท่านก็บอกว่าบวชนี่มีอั น, นิี้สองเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ คำว่าอ น, นิสง์ตรงนั้นไม่รู้นะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าเราก็คำว่าอ น, นิสง์ก็แปลว่าดีอะแต่พอบวชบวชปุ๊บนะคือที่มัทจะบวตชตอนเะช้าเนาะเสร็จก็ประมาณเพลนั้นหลังเพนเนี่ยก็จะมีการเหมือนกับว่ า, อาบอกบอกถึงก็เรียกว่า กิจที่ควรทําแล้วก็กิจที่ไม่ควรทําในต่างๆนนะทุบท่วนทีทีแล้วก็หัดคลองจีวรในต่างๆ <c oughs> <c oughs> คือตรงนั้นนะมันเป็นเป็นสิ่งที่ที่เหมือนกับว่าในระหว่างที่เราเดินผ่านญาติโยมอะญาติโยมก็นั่งไหว้เนาะใช่ไหมอย่างเงี้ยจะจําได้เลยบอกเพิ่งบวชอยู่นี้เอง <laughs> ไม่ต้องไห้ไม่ต้องไหว <laughs> <c oughs> ก็คือแต่ว่าก็พอพูดเสร็จเรียบร้วก็นึกอยู่ในใจแบบว่าเราจะพูดอย่างนี้กับทุกคนได้ไหมเยดี๋ยวก็มีคนที่สองคนที่สามคที่สี่คนที่ 4, ท้าเราก็บอกไม่ได้นะมันก็มีแต่ว่าเราทํำยังไงเลยถึงจะให้เป็นพระเร็วที่สุดอะอย่างกั้นเวราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าการแต่งตัวแค่นี้ไม่พออะไรเงี้ยนะดังนั้นนะสิ่งที่สําคัญก็คือเราเหมือนกับว่าหันหลังให้ความไม่ดีได้หรือ ย, ยังเรามุ่งหน้าไปกับ ไปถึงความดีอย่างที่หลวงพ่อกําเขียนท่านพูดได้แลว้วหรือยังอะไรต่างๆ ต, ตรงนั้นก็แล้วก็หลวงพ่อเขียนท่านเคยเคยบอกนะครับบอกว่าท่านน่ะตั้งใจว่าท่านอยากจะเป็นพระที่ดีนีแล้วเราเองล่ะถ้าเราตั้งใจอยากจะเป็นพระที่ดีเราจะต้องมีอะไรอะไ ร, ะไรที่ต้องทําเยอะยะอย่างนี้นี่คือเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่พอเราเป็นพระปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราช้าไม่ได้แล้วเนาะเราก็ต้อ ง, เ ร, องเราก็ต้องรีบ <c oughs> รีบที่จะพัฒนาตัวเองแนวนั้นอะไรย่างเงี้ยแต่ว่านั่นก็คือมันเป็นเรื่องที่อีกหลายๆอย่างทุกๆๆคือใช่ไมว่าทุกๆความเคลื่อนไหวของเรามันก็จะเป็นสิ่งที่ได้เตือนเราเลยว่าอุ้งตอนนี้เราเรามีเพศใช่ไหม <c oughs> ต่างจากคฤุหัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาการกริยาใดๆของสมณนะเราต้องทําอาการกริยานั้นๆออย่างเงี้ยก็มันเป็นสิ่งที่คือ อยู่วัดมาตั้งนานแล้วอ่ะใช่ไหมอยู่วัดมาตั้งนานจนกระทั่งจนกระทั่งไม่ไม่บอกใครนะบอกว่าจะบวชมาไหนไม่ก็ไม่รู้นะเพราะมาอยู่วัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยล้วก็แล้วก็คิดว่าแล้วก็คิดว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คุ้นเคยอยู่แล้วกุฏิอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรทุกอย่างก็รู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่พอบวชจริงๆครับไม่เกี่ยวเลยอะไรเงี้ย น, นั่นคือหมายไอ้แค่นั้นมันมันจิ๊บจอยมากเลยสิ่งที่เรา ได้เรียนรู้แม้เพียงเพียงแค่วันแรกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็เห็นอนิสงส์เห็นอนิสงส์แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือศรัทธาเนาะศรัทธาที่เกิดขึ้นจากคล้ายๆว่าคําสอนเนี่ยคําสอนได้คลิก น, น้อยๆที่เหมือนกันเราจะจดจําได้ว่าอะไรยังไงตรงนเนี้ยนะมันค่อยๆเรียงลําดับขึ้นมาให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้เนาะเออเมื่อก่อนเราไม่เป็นพระเราก็ไม่คิดว่านี่เป็นภาร ะ, ะของเราอะไรเย่าง ไม่เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แต่พอเวลาที่เราเป็นพระเนี่ยโอ้เรื่องที่เราต้องเรียนรู้มาถึงแล้วอย่างเงี้ยเนาะนั้นนั่คือตรงเนี้ยก็หลวงพ่อก็เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ก็อย่างนึกนับถือพวกเราเนาะพวกเราอยู่กับการกับงานตอนนั้นสิบปีสิบปีหลังจากที่เจอหลวงพ่อเขมเขียนนี่หลวงพ่อก็ไม่ได้ทําธุรกิจอะเนาะหลวงพ่อก็ครึ่งห้าปีแรกก็ทํามูลนิธิ และอีกห้าปีก็มาเป็นชาวบ้านอยู่ธรรม ด, ดาไม่ไม่ได้ไม่ได้มีภาระาอะไรที่ใครมอบหมายให้ทำอย่างเงี้ยอย่าง น, น, าง น, นก็คือดูแลตัวเองดูแลตัวเองนั้นนั่นคือตรงนั้นก็มันก็เรื่องของการกระทบเรื่องของการอะไรต่าง ๆ, ๆนา น, นานเหล่านี้กับการงานตามปกติก็ไม่มีอย่างนั้นอ๋อเนาะอ๋อพวกเราก็ เพี้ยนกันเราพามาคือพอเวลาที่มาบวชแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสายหลวงพ่อเทียนหรือว่าในพุทธการเองก็ดีเนี่ยผู้ที่บรรลุธรรมเนาะที่เป็นโยมเนี่ยเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยเนาะวันนั้นนั่คือตรงเนี้ยมันอยู่ตรงที่ว่าเขาเรียกว่าคือเราเนี่ยเนาะมีสติแล้วอย่างเงี้ยเนาะตรงเนี้ย เราได้ออนสติมาใช้หรือยังการปฏิบัติธรรมก็คืออย่างนั้นเรามีความรู้สึกตัวแล้วเราเอาความรู้สึกตัวมาใช้แล้วหรือยังถ้าเราใช้อย่างที่บุรุษเจ้าบอกเนี่ยจริ ง, รงๆไม่ได้ยุ่งยากนะยืนเดินนั่งนอนก็ดรือจะหมย่อยๆที่อยู่ประกอบกับยืนเดินนั่งนอนมันก็มันครอบคลุมทั้งวันจริ ง, รงๆเลยนะ่าเงซึ่งตรงนั้นแหละมันก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเราทําได้มันก็จะช่วยให้ความหลงเนี่ยมันทํำลายเราน้อยน้อยลงแล้วก็อย่างที่บอก ถ้าเหมือนกับบางทีเราประมาทปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นความหลงตัวโตๆที่มันจูโจมมาวันทีเราก็ตั้งตัวไม่ทันซึ่งตอนนั้นมันก็ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมากกว่าก็เพียรไม่ประมาทต่อไปเนาะอย่างนั้นอ่ะก็ให้พวกเราได้เพียรกันทุกทุกคน